ปัญหาปัญหาที่แดนะอเพชะปริสะปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแตกแยกไม่แตกแยกนัน ะ, นะพระเจ้ามินินถามว่าพระคุณเจ้านาคเซนพวกท่านกล่าวกันว่าตทาคโตอภเพชะปริโสแปลว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกั น, น, ะนะและยังกล่าวอีกว่า เทวทัตเตนะเอกปะห้ารังปัญจพิคุสตานิพินนานิพระเทวทัตยุยงภิกษุสงให้แตกแยกกันในคราวเดียวห้าร้อยรูปฟังแล้วมันก็ขัดกันนะบอกว่าพราะองค์เนี่ยมีบริษัทไม่แตกแยกอีกพักหนึ่งบอกพระเทวทัตพาแตกไปทั้งห้าร้อยพระคุณเจ้านาเกษณถ้าหากว่าพระตถาคตเจ้าทรงเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกันจริงแล้วไซ ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าพระเทวทัตยุโยงภิกษุสง์ให้แตกแยกกันคราวเดียวห้าร้อยรูปอย่างนี้ก็ต้องผิดถ้าหากว่าพระเทวทัตยุโยงภิกษุสง์ให้แตกแยกกันได้คราวเดียวห้าร้อยรูปอย่างนี้แล้วจริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกันก็ต้องผิดปัญหานี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งเปลื้องได้ยากเป็นปมยิ่งกว่าปม ก็เรีกว่าผู้ผู้คนยังยุ่งเหยิงสับสนพลวันกันในปัญหานี้อยู่แสดงว่ามีการถกกันมากขอจงแสดงกำลังยานของท่านในวาทะของฝ่ายอื่นทั้งหลายเถิดนะช่วยแก้รับที่มิจฉาทิฐิหน่อยเถอะก็บอกว่าพระพุทธเจ้านี่บริษัทไม่แตกแก้กอีกภัคหนึ่งบอกเวทวทัศน์ทำให้แตกตั้งห้าร้อยเนี่ยนะแล้วอีกดีๆนะระไม่โยงที่นั่นมาเอะอะไรนะในสังกเภทฐานกะนะ สังกเพศสังกเภทขันตกะกลุ่มปันกลุ่มภิกษุโกสัมพีนี่ก็แตกแยกกันตั้งเยอะแยกไปหมดไหนบอกว่าบริษัทไม่แตกแยกว่าือนกันข อ, อพระนาคเษนก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระตถาคตเนี่ยทรงเป็นผู้ไม่มีบริษัทไม่แตกแยกกันเนี่ยจริงแต่ฟังให้ดีนะว่าบริษัทไม่แตกแยกเนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนทำให้แตก น, นะไอคำนี้แปลว่าบริษัทของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำซะแตกหมดไม่ใช่แบบนี้นีนะและพระเทวทัตก็ยุยงภิกษุสงฆ์ให้แตกแยกกันในคราวเดียว500ร้อรูปเนี่ยจริงสรุปว่าพระพุทธเจ้าบริษัทไม่แตกแยกจริงพระเทวทัตยุให้แตก500อก็จริงแต่ว่าความแตกแยกกันนั้นย่อมมีได้ด้วยกําลังแห่งความสามารถของผู้ยุยงให้แตกแยกคเครียกว่าอะไรรอยงัดนะ เกว่ารเว่าเหมันมีเหตุทำให้ราวใช่ไหมมันมีเหตุดูเหมือนราวแล้วก็มีเหตุมาคอยงัดงัดไปงัดมาก็เลยแยกไม่รู้เท่าไหร่เ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องแตกแยกเนี่ยนะแยกต่อเมื่อมีผู้ยุขวา ง, งาัันขอถวายพระพรคือเมื่อมีผู้มายุยงให้แตกแยกกันก็ไม่อาจมีความกลมเกลียวกันได้เมื่อมีผู้มายุยงให้แตกกัน แม้มารดาก็แตกแยกกับบุตรใช่ไหมเดี๋ยวไปส อ, ปสอเสียดลูกซะหน่อยไปสอเสียดแม่อีกนิดนะนะว่ายังพูดกลับไปกลับมาในที่สุดแม่กับลูกก็ไม่มองหน้ากันนะนะหรือแม้บุตรก็แตกแยกกับมารดาได้แม้บิดาก็แตกแยกกับบุตรแม้บุตรก็แตกแยกกับบิดาได้เนี่ยนะนะอย่างสมมติอย่างพ่บางคนเนี่ยนะไปมั เป่าหัวพ่ออ่าก็ได้ก็ไดเป่าหูพ่อแม่ซะจนลูกเนี่ยเลวเลยก็มีบางคนก็ไปเป่าหูลูกซะจนเกลียดพ่อแม่ไปเลยก็มีเขาเรียกว่าเมื่อมีการยุยงมีการส่อเสียดเมื่อใดพ่อกับลูกยังแตกกันพ่อกับแม่ยังแตกกันเลยว่างั้นอย่างสามีภรรยาใช่ไหมมีอีกคนคนที่สามก็ไปเมือ่อไหร่ก็แย่ซ้ายแย่ขวาแย่หน้าแย่หลังก็เลยแย่กันหมด เขาบอกว่าแม้แต่พี่น้องชายก็แยกกับพี่น้องหญิงแม้แต่พี่น้องหญิงก็ยังแตกแยกกับพี่น้องชายแม้เพื่อนก็แตกแยกกับเพื่อนฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มันเกิดอขาดความสา ม, มัคคีกันเมื่อใดก็แปลว่ามีผู้ที่ยุยงอยู่ในนั้นเขาว่ากันเพราะถ้าเมื่อมีการมีแรงยุแล้วเนี่ยอะไรจะไปเหลือ บอกโดยที่สุดแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตนะเช่นเรือเนี่ยที่เอามาติดกันด้วยไม้หลายๆชิ้นก็ยังแตกกันได้เพราะคลื่นซัดเมื่อคลื่นมาซัดมาเนี่ยนะของมันก็แตกแยกกันได้แม้ต้นไม้ที่ออกผลบานสะพรั่งมีรสหวานพอถูกสายถูกกำลังสายฟ้าฟาดเอาก็ฉีกไปแม้กระทั่งทองหรือเงินหรือทองแดงก็แทรกอ่ะนะก็ ขอผายแม้ทองแม่เงินถ้าหากว่ามีทองแดงแทรกเข้าไปก็ยังแตกแยกกันเนีนะก็คือหลายๆเรื่องถ้ามีมีอย่างที่สามเข้ามามันก็มีการแตกแยกกันอยู่แล้วขอถวายพระพรข้อที่พระตถาคตทรงเป็นผู้มีบริษัทแตกแยกกันนี้วินยูชนทั้งหลายหาชอบด้วยไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาทรงยอมรับด้วยไหมบัณฑิตทั้งหลายก็หาพอใจไหม คราวนี้เหตุที่ทำให้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงพระตถาคตว่าพระตถาคตทรงเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกันเนี่ยมีอยู่คือคำนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่รู้กันนี่นะรู้กันโดยเหตุว่าเหตุที่ว่าเนี่ยคืออะไรขอถวายพระพรคำพูดที่ว่าบริษัทของพระตถาคตแตกแยกกันเพราะตถาคตทรงกระทอาอคติ มีลำเอียงเียนะเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งจนบริษัทแตกแยกหรือพระพุทธเจ้าจงเกลียดจงชังบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนแตกแยกหรือพระพุทธเจ้าบริหารด้วยความโง่เลยแตกแยกหรือพระพุทธเจ้าบริหารด้วยความกลัวเนี่ยนะด้วยความกลัวเนี่ยนะก็มัวหวาดระแวงก็เลยบริษัทแตกแยก เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้มีความลำเอียงเพรา ะ, ะความลำเอียงของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้บริษัทของพระองค์แตกแยกเคยได้ยินไหมบอกไม่มีหรือเพราะวาจาน่าเกลียดะนะคือพระพุทธเจ้าพูดน่าเกลียดจนบริษัทรับไม่ได้พากันหนีไปหมดเลยนะแตกแยกกันกระจัด ก, กระเจิงไปหมดก็บอกไม่มีถึงขนาดเรียกว่าพระพุทธเจ้าไล่หนีบริษัทยังไม่แตกแยกเลยนะ ถ, ถ้าจากพุทธพจน์จริงๆนะใช่ไหม เธอทั้งหลายจงไปเราประนามเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราเอย่างพระพิสูจน์เหล่านั้นก็บรรลุ ก, กันหมดไม่เห็นแตกแยกอะไรใช่ไหมก็คือรู้ว่าที่แตกแยกในที่นี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เกิดจากอาคติของพระพุทธเจ้าหรือใช้วาจาที่น่าเกลียดน่าขยะขยงจนเรียกว่าลูกศิษย์รับไม่ได้ก็เลยพากันหนีไปหมดว่างั้นหรือเพราะพระองค์เนี่ยทรงมีความประพฤติเสียหายทําตัวเลวซะจนโหอะไรนะ เดี๋ยวเสียหน้าเสียตาคนนับถือหมดก็เลยหนีไปหมดก็ทําตัวไม่เหมาะสมเขบาบอกงั้นเรียกว่าบริษัทประท้วงหนีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทําตัวไม่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่มีหรือเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีตนไม่เสมอต้นเสมอปลายก็ก็ดีไม่มีบริษัทแตกแย ก, กบอกว่าเออบริษัทมาบันณงบงี้มัว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้านะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอื่นไปแล่วเป็นต้นเนี่ยก็เลยมีปัญหาอันนี้ก็ไม่มีหรือ พระองค์ทรงประพฤติอย่างใดยอย่างหนึ่งจนบริษัทเบื่อหน่ายเลยหนีไปเนี่ยนะก็มีอยู่บ้าง น, นะตอนไหนตอนที่พระพุทธเจ้าชันอาหารเนี่ยปัญจวัคคีนหนีเลยนี่ด้วยอันนั่นก็บอกว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เพราะเป็นเหตุแต่ว่าเป็นเรื่องปกติว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนจะตรัสรู้ต้องวิเวกต้องวิเวกจึงจะได้ตรัสรู้ สรุว่าใครๆก็ไม่เคยได้ยินเหตุดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกที่ไม่แตกแยกเนี่ยอย่างที่บอกว่าพระเทวทัตที่ที่ยุยงให้สงแตกแยกกันไปห้าร้อยเนี่ยเพราะพฤติกรรมของพระเทวทัตเนี่ยนะที่ใดก็ตามถ้ามีการอย่างว่านะถ้ามีการงัดมีการแงะที่ไหนก็ ที่นั่นมันก็แตกอยู่แล้วไปเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะซี่โรงเหล็กเนี่ยถ้าว่าดีๆเนี่ยถ้ามีการงัดง่ายก็เละหมดอ่ะชั้นใดใจของคนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีการส่อเสียดเนี่ยนะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งสมัยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมันมีท่า พ, พิสุสองรูปปู้รักกันมากอีกรูปหนึ่งบวชมาแล้วประมาณร้อยพรรษาอีกรูปหนึ่งประมาณ90้ากว่าพรรษารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องไงนะสมัยนั้นอายุเขาส0 0 0มืนปี อย่าไปคิดมากทีนี้ทีนี้ก็ก็ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะเป็นพระที่ชาวบ้านเลื่อมใสามากนี่ก็มีนักเทศอยู่รูปหนึ่งเรียกว่าพระธมมรรมกถึกพระที่แสดงธรรมเป็นเนี่ยนะก็ไปที่หมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนั้นก็เห็นว่าโอ้สองรูปนี้สมักสมานสามัคมคีปรองดองกัน ด, ดีเหลือเกินเนี่ยนะ เออก็ขอเข้าไปอาศัยแล้วสององค์นี้ก็มีการประพฤติวัดเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นพระที่มีความรู้เนี่ยก็อยากให้มาอยู่ร่วมด้วยก็จรชาก็ชวนกันไปบิณฑบาตสามรูปไปเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านก็ต้อนรับพระเนี่ยดีมากเนี่ยนยะพระสองรูปนี้ก็เป็นพระที่มีศีลมีกัลยาณธรรมก็พอรู้ว่ามีผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมาก็บอกว่าเชือ้อเชิญให้กล่าวธรรมให้ประชาชนฟังพระธรรมกรถึกนี้ก็แสดงธรรม เมื่อแสดงธรรมเนี่ยวู้ชางบ้านชอบมากเลื่อมใสามากานะทีนี้พระธรรมกรถึกเนี่ยด้วยจิตริษยาเกิดขึ้นด้วยจิตที่ตรหนีในลาภสการะตัวเองเนี่ยต้องการให้คนเหล่านี้ทั้งหมดมาเป็นบริวารของตัวเองทั้งหมดแล้วต้องการไล่สองรูปนี้ออกไปแล้วแผนชั่วร้ายก็เกิดขึ้นทันทีกลับไปวัดก็ไปคุยกับพระเถระไปสอเสียดององพี่ไปสอเสียดองค์น้องที่สององค์นี้เขาคบกันมาเป็นร้อยปีแล้ว เนี่ยนะคบกันมารักกันไปไหนไม่เคยคู่ขาดคิดว่าเป็นรักกันเป็นคู่นะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดแหละบางทีเราสมัครสมานสมัครีปลองดองกันมากนะไปยุองค์พี่ทียุองค์น้องทียุองค์พี่ยุองค์น้องในที่สุดสองรูปนี้อีกองค์หนึ่งไปที่ตะวันออกอีกคนหนึ่งไปที่ตะวันตกแตกกันไปเลยรูปนี้ก็เป็นเจ้าวาดสบายเลยคนนี้แต่เป็นเจ้าวาดมีวันหนึ่งเหตุการณ์ผ่านไปเป็นร้อยปีสององค์นี้โคจรไปเจอกัน แต่สองคนเนี่ยจากกันแต่ว่าคิดถึงกันมากในใจเนี่ยคิดถึงกันมากก็ ค, คือคิดถึงว่าเออคือเขาไปยุว่าเราเนี่ยมันเลวร้ายขนาดนี้เออเราไปทําอะไรให้เขาเจ็บช้าน้ําใจนะก็ซึ่งไม่เคยคุยกันเลยแต่ว่ามันแตกแยกกันเพราะแรงยุว่ะเสร็จแล้วในที่สุดก็มาเจอกันบอกว่าเอาผมเคยว่าท่านหรือเอาแล้วท่านเคยว่าผมหรือเอาเขาไม่เคยว่าดิ งั้นก็แสดงว่าเราสองคนถูกพระรูปนั้นแ yeah, ย่ยุซะแตกแยกกันก็เลยกอดกันร้องให้อะไจากกันนานที่ถึงกันมากร้องให้เลยเสร็จแล้วก็กลับไปกลับไปก็ไปบอกว่าหลีกไปว่างั้นว่าท่านเนี่ยเร็วมากเลยนะท่านมายุให้พระแตกแยกกันพระธรรมกษษษ็ถึกเนี่ยโดยปกติก็มีความรู้อยู่บ้างนะก็เป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วล่ะพอเข้ามาต่อว่าบอกว่าท่านเนี่ยนะยุแยงซะเขาแตกแยกเลยเนี่ยนะท่านเสียใจมากเลยนะแล้วก็ตังงันนั้นมาก็พร้อมเป็นเหมือนเปรตเลย ตายแล้วก็ตกนรกพุทธันดรเดียวอน น, นโอ้หลายพันล้านปีเหมือนกันนะพุทธันดรเดียวแต่หลายล้านตีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าองค์โน้นถึงองค์นี้เสร็จแล้วก็โผล่มาอีกทีมาเป็นเปรตปากหมูเขอากันเปรตตัวเป็นตัวเป็นคนนะนั้นหัวเป็นหมูแล้วก็นอนเยิม้มเต็มปากเยอะแยะไปหมดเลยนั่นนะบอกแล้วพระโมคคัลลาน่าไปเห็นก็เรื่องเล่าเป็นยางไงท่านก็การยุแยงเนี่ยนะยุแยเนี่ยถ้า เป็นเรื่องที่ใหญ่มากส่อเสียดเนี่ยวาจาส่อเสียดนั้นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีโทษมากเพราะว่าแม้กระทั่งว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ยังแตกแยกกันนั้นถามว่าในบรรดาสกรรมทั้งหลายเนี่ยนะบาปที่ถึงอนันตริยกรรมเนี่ยมุสาวาตก็ถึงอนันตริยกรรมไหมหมุสาวาตแม่นะอ่าส่อเสียดนี่ก็อยู่ในกลุ่มมุสาวาต ด, ด้วยเพราะคนจะยุทีหนึ่งมันต้องเอาเรื่องไม่จริงจริงบนเท็จเท็ปนจริงมาปนการเพื่อเพื่อการส่อเสียดเนี่ยนะ จริงเทแล้วจริงโดยส่วนเดียวมันก็ส่อเสียดไม่สำเร็จใช่หถ้าเทตอย่างเดียวมันก็ส่อเสียดไม่สำเร็จก็เทศปนจริงจริงปนเทศเทตหัวเทศท้ายเทศกลา ง, บ, า บ, ลางบ้างเทศสับหน้าสับหลังบ้างก็ในที่สุดก็เรียบร้อยนี่นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพฤติกรรมของพระพุทธเจา้าเป็นเหตุให้บริษัทแตกแยกไม่มีว่างั้นนะเพราะเพราะความประพฤติของพระองค์นี่นะ ผันใครๆไม่เคยได้ยินเหตุดังกล่าวมานี้เลยเหตุดังกล่าวคือ1เพราะอัคติ2เพราะวาจาของพระองค์นาเกลียด3าเพราะความประพฤติเสียหายของพระองค์4เพราะความไม่เสมอต้นเสมอปลายของพระองค์หรือหรืออย่างอื่นอีกถ้าจะมีมาเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายก็เลยพูดตรงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบริษัทไม่แตกแยก ขอถวายพระพรพระองค์จงทรงทราบแม้ความข้อนี้คือว่าเรื่องอะไรอะไรที่มาแล้วในพระสูตรในพระพุทธพจน์อันมีองค์เก้าที่เกี่ยวกับบริษัทของพระตถาคตแม้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ย่อมแตกแยกกันเพราะการที่ทรงก่อการเช่นนี้เอาไว้ดังนี้มีอยู่หรือเคยฟังชาดกเรื่องไหนแม้แต่เรื่องเดียวบ้างไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทตัวซะจนบริษัทแตกแยกกันหมดเลยเนี่ยนะบอก พระเจ้ามิลินบอกไม่มีรกักพระคุณเจ้าเรื่องที่ว่านี้ไม่มีปรากฏในโลกแม้ข้าพระเจ้าเองก็ไม่เคยได้ยินโอ้ดีจริงพระคุณเจ้านากกเกษนข้าพระเจ้าขอยอมรับคําพูดตามที่กล่าวมาแล้วนี้มันก็แต่ก็น่าคิดนะถ้าถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีถ้าไม่มีข้อความในมิลินถ้าปัญหานะพราะมาสงสัยประเด็นคล้ายๆพระมิลินเนี่ยเยอะเอออีกที่หนึ่งทําไมพูดอย่างงี้อีกที่หนึ่งทําไมพูดอย่างงี้แต่ดีว่าตรกถาท่านแก้ไว้เยอะไม่งนั้นจะเดือดร้อนแน่ เพราะความพุทธพจน์ตีกันหมดเลยยุ่งหมดเลยที่จริงอ่ะเราเองไม่รู้เรื่องอ่ะ น, นะคะว่าแต่ก็ทําในใจไว้แล้วล่ะนะครับอุปมาเหมือนอะไรก็เหมือนชาวเผ่าเผ่าหนึ่งแล้วมาอ่านงานวิจัยของอะไรนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะไปรู้อะไรได้ทุกเรื่องกันไหมมันคนละชนประเภทกันน ะ, น ะ, ะพวกเผ่าไกลๆขนาดนี้ก็อ่านให้ก็อยากให้รู้ตามท่านก็เอาใจาละดีใจละเชิญผ่าน อออริยสงไม่แตกอยู่แล้วถ้าเป็นสงคือมอริยุคถึงคำว่าแตกสงก็คือทำให้หมู่คณะแตกแยกอะคือคือก็ อ, อย่างว่าที่ความสามัคคีแห่งสงเน้นำมาซส่งความสุขแต่ถ้าสงแตกแยกกันแม้แต่พระอริยยังเดือดร้อนมานกันเถอะอริยเดือดร้อนไงก็ปัญหามันชุลมุนวุ่นวายเนี่ยนะ เมื่อเมื่อสงเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวคนนั้นก็ฟ้องคนนี้ทีคนนี้ก็ฟ้องคนนั้นทีสัดกันไปซัดกันมาเนี่ยแล้วเอาปัญหาเนี่ยไปปรึกษากับพระภรรยะและพระภรรยาจะสบายใจได้คือหมายเขาว่าท่านจะไม่หนีได้ยังไงคิดว่าในในสังกเพศในนั้นอ่ะพระพุทธเจ้ายังหนีไปอยู่ป่าเลยในในสังกเพศคันธกะเนี่ยนะในโกสัมพีคันธกะใช่โกสัมพีคันธกะพระพุทธเจ้ายังหนีไปอยู่ป่าเลยพระพิสุททะเลาะกันคือเขาบอกมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าทิศใดมีการทะเลาะกัน คิดนั้นเนี่ยแค่คิดถึงก็ยังไม่ยังจิตของพระ อ, องค์ให้ผาสุกเลยนั่นนะไม่ยังจิตของพระ อ, องค์ให้ผาสุกเลยก็เหมือนกับว่าไอ้ที่ไหนที่เขาเขาวุ่นวายเนี่ยนะแค่เราคิดถึงเราก็เครียดแล้วนะไม่จําเป็นว่าต้องลงไปอยู่ณนะตรงนั้นมันจะขนาดไหนถ้าถ้าที่ใดมันมีปัญหาก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าทรงที่แตกแยกกันเนี่ยคือทั้งก็พูดไว้กว้างๆว่าเพราะอาริยะกลับไม่ใช่อริยะโดยมากก็อยู่คล้ากันไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอเป็นอริยะแล้วขาดไปออกไปคัดออกไปไม่ใช่มันก็ยังอยู่นั่นแหละบางทีอาจารย์เป็นอริยะแล้วสิทธิ์ไม่เปน็นก็ต้องดูแลสิทธิ์ไปหรือสิทธ์เป็นอริยะแล้วอาจารย์ยังไม่เป็นสิทธิ์ก็ดูแลอาจารย์ไปมันก็อยู่อย่างนั้นทีนี้ถ้าอย่างว่าถ้าคนรอบตัวมีปัญหาละไอ้คนข้างๆมันก็รวนไปหมดนะอย่างว่าถ้าลูกไปทะเลาะ ก, กันพ่อแม่ก็เดือดร้อนด้วยแหละว่ากันนะ เพราะว่าอย่างพระเนนเหล่านั้น ท, ที่ที่แตกแยกกันเนี่ยบางทีก็ลูกศิษย์พระอาริยะแล้วพระอริยะมันจะไม่แก้ปัญหาให้ได้ยังไงก็ต้องเข้าไปแก้เมื่อเข้าไปแก้มันก็มัน ก, มนก็มันก็วุ่นไปหมดอ่ะนะคุณจุจินมาก